พระผู้มีพระภาะเจ้าพระธรรมและพระสงค์ขอกราบถวายความเคารพแด่พระเทามาเทละข้าพิปัติศาสน า, าทุกรูกขอความเจริญในธรรมในญาติโยมผู้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆคนนั่งตามสบาย วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าข้างงานที่เข้าออมาถึงแล้วดูญาติโยมปฏิบัติธรรมกันแล้วก็นานโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าเห็นการกระทาญาติโยมแล้วเนี่ยรู้ึกว่าจริงจังแล้วก็จริงใจคือทํำด้วยศรัทธาจริงๆไม่ค่อยมีเสียงพูดเสียงคุยไม่ค่อยมีเสียงเนี่ยตื่นเห็นได้ตั้งใจทํำกันดีมาก การตั้งใจทาเนี่ยทาที่ไหนก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เรารู้เราเข้าใจมากขึ้นถ้าเราทําแบบไม่ตั้งใจทำในแบบใจที่ไม่ได้ตั้งแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะเนี่ยต้องอาศัยสมาธิของจิตนั่นพอสมควรถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วเนี่ย การรู else, so ้การเห็นการเข้าใจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นฐานของการที่จะรู้จะเข้าใจนั้นจะเป็นจะต้องอาศัยสมาธิอาศัยสติเพราะเป็นฐานของการที่จะทาให้เกิดปัญญาปัญญาของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นปัญญาที่จะรอบรู้เรื่องของตัวเราเอง ไม่ใช่ที่จะรู้เรื่องที่อยู่นอกตัวเราการศึกษาธรรมะในหลักปฏิบัติเนี่ยคือมารู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจถ้าเรารู้เรื่องของกายของใจตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่รู้จัปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆนั้นออกไปได้แต่ถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่แบกทุกข์อยู่นั่นเองเพราะการบันดาธรรมเนี่ย ถ้าเราเป็นผู้วางเราก็เป็นผู้เบาถ้าเราเป็นผู้เอาแล้วจะเป็นผู้หนักเพราะเรามาในบันนี้เพื่อที่จะรู้จะปล่อยจะวางเพราะการแบกของหนักเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์มากๆเลยะถ้าเรายิ่งเราแบกสิ่งข้างนอกก็พอที่จะปลดเปลื้องวางไก็ง่ายๆนะถ้าเรายิ่งแบกสิ่งที่อยู่ภายในแล้วเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะวางไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข ก็ยิงเป็นผู้หนักอยู่เรื่อยไปพรานการเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยจึงไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เรารู้จักปล่อยจักวางนะสิ่งที่มันหนักการหนัก อ, อกหนักใจที่เป็นทุกข์ทางใจเนี่ยไม่มีใครที่จะช่วยปลดเปื้องให้เราได้นอกจากสติปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้เราเข้าใจแล้วก็ปลดเปื้องออกด้วยตัวของเราเองดังนั้นสิ่งที่ จะทําให้เรารู้เราเข้าใจก็คือศรัทธาตัวเนี้ยศรัทธาคือความเชื่อในหลักธรรมในคําสอนในวิธีการปฏิบัติเนี่ยหรือการเชื่อมั่นในตัวเองที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยแล้วเราก็มีความเพียรมีความพยายามมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีสติความระลึกรู้สึกนะเมื่อมีสติดีรู้จักรักษากจิตให้อยู่เป็นปกติได้ก็จะมีสมาธิ จิตก็จะมีสมาธิคือไม่ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆจิตจะรู้สึกอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกในขณะปัจจุบันทุกขณะเมื่อจิตรู้อยู่อย่างนี้ก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิการรู้เห็นอาการคือรู้เห็นสัจจะเรื่องของกายของใจก็เกิดขึ้นก็เป็นตัวปัญญาอินทรีย์ทั้งหมดก็จะรวมพลังะทําให้เรานั้นรู้จักสลัดสิ่งต่างๆที่มัน ห้องอยู่ภายในนั้นออกไปได้แต่นั้นความเพีย r นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับการอบรมหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียงแต่อาศัยการได้ยินการได้ฟังการได้ศึกษานั้นมันก็ยังไม่เป็นการเพียงพออันนั้นเป็นการรู้จากผู้อื่นเป็นการรู้จากสิ่งข้างนอกแต่ยังไม่ใช่รู้ในตัวเราสิ่งที่รู้ในตัวเราก็คือการที่เรามาทาความรู้สึกให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็กาหนดรู้ลงไปจริงๆ ในอายาบทต่างๆ <c oughs> การยืนในขณะยืนเราก็รู้สึกอยู่ในการยืนรูปเป็นผู้ยืนในขณะนั่งเราก็รู้สึกอยู่ในขณะนั่งมารูปเป็นผู้นั่งในขณะเดินเราก็รู้สึกอยู่ว่าอะไรขณะกำลังเดินรูปกำลังเดินหรือการลังนอนกำลังทําหน้าที่ต่างๆก็รู้สึกว่ารูปนั้นทําหน้าที่เคลื่อนไหวไปมา เพราะฉะการรู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันในทุกขณะทุกขณะเนี่ยมันจะเป็นการ <c oughs> ทําให้เกิดความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นคือสติเนี่ยเราต้องพัฒนานะถ้าเราไม่พัฒนาแล้วมันก็อยู่อย่างนั้น่ะเป็นสัญชาตญาณที่มีอยู่ประจําในคนหรือในสัตว์มันก็รู้อยู่เพียงแค่นั้นเราพัฒนาให้มันเกิดความระลึกรู้สึกที่มัน รุนแรงรู้ว่องไวมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมะที่มาช่วยปลดเปื้องสิ่งที่เข้าใจผิดต่างๆนั้นให้หมดไปดันั้นการได้ทําความเพียรเจริญสติอย่างติดต่อ น, นั้นจึงเป็นสิ่งที่ว่าจำเป็นในการที่จะอบรมหรือการที่จะฝึกฝนใจเพราะสติที่ทําไม่ติดต่อหรือทาไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังเพราะพลังของโมหะพลังแห่งความหลงนะั้นมัน มันมีอยู่เหนือกวสติเพราะความเผลอความหลงความไม่รู้ความไม่เข้าใจเนี่ยมันมีมาอยู่ <c oughs> เป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อสติเรามันน้อยแล้วเนี่ยมันก็หลงไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจเวลาคิดเวลาทำหรือเวลาพูดอะไรออกไปมันก็รู้สึกจะผิดพลาด <c oughs> เป็นไปนตามอานาจของสิ่งที่ผลักดันอยู่ภายในมากมายดังนั้น <c oughs> S <S <an> เมื่อเรามาเจริญสติมากๆเนี่ยมันจะค่อยทําให้ความเผลอความไม่รู้ตัวนั้นลดน้อยลงไปและขณะขณะที่เรามีสติรู้สึกอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้ความไม่รู้มันก็จะหายไปครั้งหนึ่งเรามีสติสองครั้งความไม่รู้ก็หายไปสองครั้งมีสติสามครั้งสี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งอย่างนี้ก็ไอ้ความไม่รู้ความไม่รู้สึกตัวมันก็จะค่อยหมดไปหมดไปเมื่อเรามีสติที่สืบ ต, ต่อเป็นลูกโซ่ลึดอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ย ความหลงความไม่รู้มันก็จะไม่เกิดขึ้นสําหรับผู้มีสติเพตอะนั้นเมื่อความหลงไม่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยราคาหรือโทสะมันก็จะไม่มีช่องว่างที่จะเกิดไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาได้นะ่ะเพราะอะไรเพราะเรารู้นิความหลง่มันมีนมเรามีความหลงความไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดอโรมพะหรือเกิดโทสะที่ติดตามมาตอนนั้นอวิชชาหรือว่าโมหะ หรือว่าความหลงเนี่ยบองมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันครอบคลุมจิตใจของเราอยู่เมืเามา่อเรามาเจริญสติทางความรู้สึกในขณะเดินก็ดีในขณะที่เรายกมือขึ้นเอามือลงเก็บมือเข้าเอามือออกก็ดีเรารู้สึกแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมันทำให้ความเผลอความหลงนั้นหมดไปทําให้ความรู้สึกตัวนั้นตื่นตัวนั้นมามีมากยิ่งขึ้นเมื่อความคิดต่างๆมันค่อยสงบลงสงบลงสงบลง ความรู้ก็ค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นดังนั้นความคิดที่มันเคยคิดอย่างยืดยาวเคยคิดเป็นเรื่องที่สืบต่อที่เราไม่รู้สึกมันก็จะค่อยขาดช่วงไปแล้วที่เรามากำหนดความรู้สึกในขณะเดินจงกรมอยู่ก็ดีหรือสร้างจังหวะอยู่ก็ดีนะความคิดก็จะถูกตัดขาดไปเอาพอเผลอไปมันคิดไปอีกแล้วถ้าเราก็กำหนดรู้ทันอีกครั้งรู้ทันทุกครั้งทุกครั้งที่มันคิดขึ้นมาในขณะที่ปฏิบัตินั้น เราอย่าพิ่งไปเอาความคิดหรือเอาอะไรกับความคิดะอย่าไปดวนไปเอามันคิดดีก็ปล่อยคิดไม่ดีก็ปล่อยเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของความคิดเท่านั้นเองคือไม่เอาความคิดมันรู้อะไรก็ตาม <c oughs> รู้แล้วอย่าไปยึดอยไปเอารู้มาแล้วก็สลัดพื้นไปกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวใหม่กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวใหม่ บ, ม บ, มหมบ่อยเข้าบ่อยเข้าอย่างนี้ความคิดทสิ่งที่มัน เป็นเรื่องปรุงแต่งที่มากมายจนค่อยสั้นลงสั้นลงเราเคยคิดเคยคิดยาวคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้แล้วก็วิตกกังวลไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดที่จากเราไม่รู้ทันมันแล้วมันก็คิดปรุงออกไปพอคิดปรุงออกไปเราก็เป็นทุกข์เป็นสุขยินดีพอใจไม่พอใจกับความคิดที่คิดขึ้นมามันก็เกิดอารมณ์ต่างๆติดตามมามากมายเกิดมานะเกิดตัณหาเกิดทิฏฐิเกิดกิเลสต่างๆที่ติดตามมาอย่างยืดยาวมากาย จะว่าเป็นวัตถะที่มันวนอยู่ในกิเลสหรือว่าตัณหาอุปาทานเนี่ยมันจึงเป็นวงจรที่ทําให้เกิดการเกิดแห่งกิเลสนั้นวนเวียนอยู่ไม่จบสิน้นดังนั้นการเกิดสติแต่ละครั้งเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้ความพุกนั้นลดน้อยไปดังนั้นทยุค า, านิสงของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจึงมีมากมายมีมากมายเหลือเกิน แม้แต่การที่เราใช้ชีวิตประจําวันถ้าเราอยู่ด้วยสติจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะทําหน้าที่การงานต่างๆนั้นไปได้เป็นอย่างดีแม้แต่จิตใจเราก็จะไม่เดือดร้อนพนวายแต่ถ้าเราขาดสติเพียง อ, อย่างเดียวเนี่ยนะการใช้ชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่าจะมีปัญหามากมายปัญหาในการที่ทํางานผิดพลาดปัญหาเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็จะค่อยเกิดติดตามมาแต่ถ้าเราอยู่ด้วยสติจริงๆแลึกรู้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้จัก นะปล่อยวางได้เพราะสติอันฝึกหัดมันเนี่ยเป็นสติที่ประกอบไปด้วยว่าเป็นสัมมาสติที่มันระลึกชอบระลึกอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องลึกอยู่ในองค์ของศีลระลึกอยู่ในสมาธิระลึกอยู่ในเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อสิ่งใดที่มันผิดไปจากนี้ผิดไปจากขององค์ศีลองค์สมาธิองค์ปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่พูดไม่ทําแล้วก็ไม่คิดเรื่องนั้นเห็นเรื่องของโลกโกรดลงด้วยราคาโทสะโมหะเนี่ยเป็นเรื่องของ ความพวกความเศร้าหมองของจิตจิตก็จะไม่ไป ก, กลัวหรือว่าจะไม่ไปมัวเมาสยบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมันจะยกจิตขึ้นอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นเพราะจึงว่าการได้เจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทําเพราะว่าเราไม่ทําแล้วเราก็จะอยู่กับทุกข์เพราะความทุกข์นั้นเรามีอยู่ในกันทุกคนนะปฏิเสธไม่ได้เลยความทุกอย่างนอกๆไปทุกทาง การประกอบอาชีพในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตหรือทุกข์อันเกิดจากเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งร่างกายนี้มันก็มากมายอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันหมดสิ้นไปได้แล้วแต่ที่เรามาเอาทุกข์ทางด้านจิตใจเข้ามาทับผมอีกมันก็เลยเป็นทุกข์เรียกว่ามากมายทุกข์อันเกิดจากความชังความ <c oughs> โกรธเกลียดที่เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของจิตเพราะถ้าเรารู้จักขจัด สิ่งเหล่านี้นะให้มันลดน้อยลงไปได้บ้างมากได้บ้างแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่อย่างเบาการอยู่อย่างเบามัดนิสกิจใจไม่ต้องไปแบบอารมณ์อะไรมากมายมันเข้าใจอารมณ์เข้าใจความคิดต่างๆ่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันก็รู้จักสลัดปล่อยวางมันก็เบาเพราะที่เรามันหนักอยู่ที่วันเนี่ยเราไม่รู้เราไม่เห็นเวลาไอ้ทำหรือว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราไม่รู้จักว่ามันเป็นกิเลสไม่รู้จักว่ามันทุกข์ เราไม่รู้เราไม่เข้าใจพอไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ทําไปตามมันพูดไปตามมันคิดไปตามความอยากความต้องการความยึดถือต่างๆมันก็เลยพอกทูนความทุกข์นั้นให้มากยิ่งขึ้นที่รู้มาเรามาเรามาจเริญสติเนี่ยนะเรามาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในใจนะั้นมันคืออะไรไอ้ตัวโลภะนั้นเป็นลักษณะอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรไอ้ตัวโทสะค ว, ความโกรธความโมโหความเฉียดแค้นชิงชังความ อิจฉาพยาบาทตัวนี้มันเกิดขึ้นมาในใจมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไปศึกษามันเวลาที่มันหลงมันเผลอมันมีลักษณะอาการที่เป็นอย่างไรเราก็มาศึกษาดูศึกษาดูที่ใจเพราะนั้นมันเกิดขึ้นมาเราจะได้ศึกษาได้รู้ได้เข้าใจเพราะธรรมะนั้นมันเกิดนะเกิดอยู่ประจําอยู่แล้วแต่เราไม่ไม่ไม่ดูไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นแะไม่เข้าใจเราต้องเรียนรู้มันต้องศึกษามันเวลามันทุกขึ้นมานั่นแหละคือบทเรียนที่เราจะต้อง ศึกษาเรารู้เราเข้าใจเพราะาเรามาศึกษาปบิดาธรรมนั้นตามหลักอริยสัจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้กำหนดรู้ทุกนะทุกที่เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ให้เรียนรู้ให้เข้าใจว่าทุกจริงๆนะมันคืออะไรให้รู้มันเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่แบบเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่เกลียดชังความทุกข์เราจะองศึกษาความทุกข์ให้รู้ให้เข้าใจว่ามันมีเหตุเกิดมาจากอะไรแล้วก็สาวหาเหตุของมันเมื่อเราสาวหาเหตุเราจะพบแล้วว่าเออ ไอ้ตรงที่เราไม่มีสติเข้าไปรักษาใจนี่เองนะไม่รู้เท่าทันการกระทบสัมผัสของอารมณ์หรือไม่รู้เท่าทันในการปรุงแต่งของใจนี่เองอ่ะมันจึงเป็นเหตุให้เกิดนะกิเลสต่างๆนั้นพออพูนมากยิ่งขึ้นคือตามความเคยชินที่เราเคยคิดเคยนึกเคยปรุงเคยแต่งเพราะเมื่อเรามาศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้จะเข้าใจในความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติดีๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ทัน ในขณะที่เรานั่งยกมือเคลื่อนไหวหนดุดยบฏอยู่ในวันๆนะั่นแหละความคิดมันจะผ่านเข้ามาเดี๋ยวคิดวูบเข้ามาเอาเรื่องนั้นคิดขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราไม่รู้ทันเราก็นะปล่อยให้จิตนั้นปรุงแต่งไปตามฟอ ร, ร์มนึกคิดอ น, น, นันต์แล้นก็เป็นนะก็เป็นไปถ้าเรารู้สึกทันแล้วเราก็กลับมาหาความรู้สึกตัวโอมันคิดออกไปแล้วเนี่ยเผลอแล้วเอาตั้งใจใหม่กำหนดใหม่ตั้งใจใหม่กำหนดใหม่ทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปทำไปทำไปำไ ป, ปฏิบัติไปเรื่อยไปมันก็จะ ค่อยรู้ค่อยเห็นะค่อยเห็นความคิดมันเกิดขึ้นแต่เรื่องเรื่องละเรื่องละเรื่องเนจะเห็นทันเห็นแล้วก็ตัดก็ปล่อยคือกลับไปอยู่ความรู้สึกตัวนะเราไปอยู่ในความคิด <message> เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะออกจากความคิดได้เคาออกได้นี่มิ้นจะมีตัวรู้สึก ท, นะที่รู้ทันความคิดที่มันคิดออกมาแล้วไม่เป็นไปตามมันนั่นเองคือการออกจากความคิดคือถอนความรู้สึกตัวนั้นกลับกลับมาอยู่กับความรู้สึกทางกายเนี่ยพอมารู้สึกทางกาย ชัดเจนแล้วไอ้ความรู้สึกในความคิดมันก็จะขาดไปเองโดยอัตโนมัติของมันดังนั้นการยกมือการเคลื่อนไหวการทําอยู่อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความเคยชินในการทาความรู้สึกตัวเมื่อเราไม่อยู่ในภาคปฏิบัติทีเนี้ยเมื่อเราไปทํากิจการงานทําหน้าที่อะไรก็ตามความรู้สึกที่เราเคยกระทำเคยฝึกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอยู่ด้วยไปเราจะไม่เผลอบ่อยแล้วเราทําการทํางานมันก็รู้สึกไปกับหน้าที่การงานด้วยรู้จักดูจิตดูใจไปด้วย รู้จักกาหนดรู้สึกทันในอารมณ์ปัจจุบันได้บ่อยครั้งบ่อยคราวแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดปัญญามากยิ่งขึ้นตามแต่เราที่มีความเพียรหรือมีความพยายามที่กระทําอย่างติดต่อแต่ถ้าเราทําแต่ในช่วงเจ็ดวันที่มาฝึกแล้วเนี่ยแต่ถ้ากลับไปบ้านหรือกลับไปในที่อยู่อาศัยของเราแล้วเนี่ยเราไม่ทําติดต่อเลยการกระทำแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันจะได้ผลน้อยไม่ได้ผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วที่ว่าทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อมีโอกาสนะก็ต้องทำเรื่อยเพราะว่าการที่เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในะเรื่องที่เป็นนามธรรมาเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรแล้วก็ความพยายามนั้นมากมายกว่าที่ควรนะไม่ใช่ว่าเราจะมาทํำวันทั้งวันแล้วให้ความทุกวันหมดไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราได้สร้างสมอุปนิสัยหรือนิสัยความเคยชินนั่นแหะมามากมายในเรื่องที่จะรักที่จะชงังที่จะโกรธ ที่จะเกลียดที่จะดีใจที่จะเสียใจที่จะพอใจไม่พอใจเราได้สร้างสมความเคยชิดเหล่านี้มามากมายแล้วเราจะมาปฏิบัติเพียงเจ็ดวันสิบวันให้มันลดละเด็ดขาดนะั่นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องสร้างสมนิสัยขึ้นมาใหม่สร้างสมความรู้สึกตัวสร้างสติหรือจเจริญสมาธิที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นองค์มรรคนะเป็นทางเดินในการที่จะไปสู่ความ สงบหรือสู่ความไม่มีทุกนั่นเองแต่นั้นที่ว่ามรคเนี่ยคือการกระทํานะการกระทําที่มันเป็นไปเพื่อการารู้เข้าใจในเรื่องของกิเลสต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเพอติตใจแล้วถ้าหากว่ามันไม่เกิดกิเลสมันก็อยู่สบายนะใจจิตใจก็ปลอดโลง่งเบาเพราะกิเลสนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะอยู่ทุกขณะมันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวนะบางครั้งบางคราวในขณะที่ ตาได้เห็นแล้วเนี่ยมันเกิดอความพอใจไม่พอใจมันนั่นแหละมันมันมันเริ่มที่จะเป็นเหตุแล้วนะเกิดความยิน ด, ดีพอใจมันก็เกิดความโลภหรือเกิดราคะขึ้นมาถ้ากระทบสัมผัสเกิดความไม่พอใจขึ้นมามันก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะหรือเกิดปฏิฆะกระทบทางจิตเกิดความไม่พอใจสร้างความชิงชังเกลียดนะสร้างความพัาบัยที่มันจิตในใจขึ้นมาอย่างนี้มันก็เนื่องมาจากที่เราไม่รู้ทันนะ เรความพอใจหรือไม่พอใจนะั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการได้รับสัมผัสนะทางเวทนาคําว่าเวทนาได้หมายถึงการรู้สึกสัมผัสทางตาพอดีนะทางตาเนี่ยพอตาได้เห็นรูปหรือเห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกละตัวเราเนี่ยนะเราเกิดความรู้สึกนะรู้สึกขึ้นมาว่าอารมณ์นั้นเป็นสุขนะชอบในอารมณ์นั้นเรามันก็เป็นการเกิดนะเป็นเวทนาสุขก็เกิดความพอใจขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดได้เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยทําจิตใจให้อยู่ ก, กลางๆลางทำใจใจให้อยู่อย่าง ก, งกลางๆงคือยังไม่อยู่ในความพอใจและความไม่พอใจทําจิตใจใอยู่ในระหว่างกลางถ้าเราเอียงซ้ายไปเราก็แบบว่าเกิดความไม่พอใจถ้าขวาไปก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจพระเจ้าจดีบอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ ถอนอภิชาและโทมนัสนั้นออกเสียคือทําจิตใจให้อยู่อย่างปกติเมื่ออารมณ์ใดที่มันเกิดขึ้นในจิตเราเฝ้าดูนะเฝ้ารักษาดูแลมันเวลามันเกิดขึ้นมาก็ออเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอนะรู้ทันรู้ทันแล้วกลับหาความรู้สึกตัวแล้วทําความเพียรอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยทุกมันไม่มีช่องว่างที่มันจะเกิดอะไรที่มันกระทบสัมผัสมาสติปัญญาก็เข้าไปรู้ทันรู้ทันอยู่บ่อยครั้งบ่อยครั้งมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้ แต่ถ้าเราเผลอเราเผลอสตินะรู้แล้ว ร, รู้ไม่เท่าทันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมานะอาการของจิตก็จะวิปริตแปรเปลี่ยนไปนะจากความเป็นปกติกสู่ความฟุ้งซ่านลาคาญหงุดหงิดเป็นทุกข์วิตกกังวลคิดมากวุ่นวายมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเทั้งจิตที่มันสงบเนี่ยมันจึงเป็นความสุขของคนของมนุษย์เราอจิตที่อยู่อย่างสงบอย่างปกติไม่ฟุ้งซ่านไม่ําคาญอยู่อย่างสบายรู้สึก ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนี้จิตใจมันสบายจะพูดจะทําจะคิดมันก็ปลอดโปร่งมันก็เบาไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจต้องเกิดความหนักทั้นที่เรารู้ไม่ทันว่าเราขาดขาดตัวสตินี่เองที่จะกําหนดรู้อ่าเท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งทําให้ใจคนเรานั้นแปรเปลี่ยนไปจากความเป็นปกติดังนั้นโอกาสที่เราที่มีโอกาสได้มาเจริญสตินั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่ามีโอกาสที่ดีแล้วเนี่ย ก็ต้องพยายามทาแหละนะพยายามจับความรู้สึกใ น, นเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวเดียวบทไปทางไหนนั้นก็พยายามที่จะเอาความรู้สึกนั้นกหลุดรู้ปัจจุบันอยู่ทุกขณะเพราะสิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดปัญญาได้คือรู้อารมณ์ปัจจุบันนั่นเองในขณะที่ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวร้อนอะไรก็ต่างนะแม้แต่จิตใจเรานึกคิดอะไรขึ้นมาแต่ละครคราวเนี่ย ถ้าเรากำหนดรู้อาการเหล่นั้นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ทั น, นว่าโอ้ไอ้ทุกข์ไอ้สุขเนี่ยมันเนื่องมาจากความไม่รู้นั่นเองเมื่อเรามาจเจริญสติเกิดความรู้ขึ้นมามันก็จะทําให้ทําให้ความหลงความไม่เข้าใจความมืดบอดต่างๆนั้นนะสลายออกไปดะนั้นการจเจริญธรรมนั่นนะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญของคนเราเพราะว่าถ้าเราจเจริญธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอย่างในน้อยก็ทําให้เราจะมีชีวิตอยู่อย่าง สบายๆไม่ต้องไปแบกโลกหรือแบกสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกมากจนเกินไปแม้แต่สิ่งภายในเราก็ยังรู้จั ก, จกปลดจากเครื่องออกเพราะว่าขันทั้งห้าเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันมาแล้วเนี่ยมันเป็นที่ตั้งความทุกข์กายก็เป็นที่ตั้งความทุกข์ความคิดหรือจิตใจอารมณ์ต่างๆผมรู้สึกในคิดต่างๆถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็เป็นที่ตั้งความทุกข์ทุกทางกายทุกทางกายนี่ก็หนักอยู่แล้วแหละโยมไหมต้องบริหารต้อง ดูแลต้องรักษาต้องพยาบาลกันอยู่ตลอดจริงโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนยิย่งมีแต่ทุกข์มากของเพราะนั้นสังขารร่างกายนั้นท่านจึงบอกว่าให้รู้นะสักว่าเป็นรูปสักว่าเป็นนามให้รู้ให้เข้าใจถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ยึดในกายนั่นแหละนะเห็นกายเราเป็นอะไรไปแล้วก็มีแต่เราทั้งนั้นอะทุกข์นะเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะนั้นในหลักของการรู้อารมณ์รูปนามเนี่ยคือไม่ใช่รู้นะสิ่งที่ เป็นสิ่งอื่นคือรูปกายรู้ใจเราเองนะให้เห็นกายนั้นศักดว่ากายหรือเป็นกายท่านตามหลักคําสอนให้ท่านกําหนดรู้อย่างนั้นคือ <c oughs> ในขณะที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เราเป็นผู้นั่งรูปหรือกายเป็นผู้นั่งนะผู้รู้อยู่ก็คือนามธรรมารู้สึกอยู่ในขณะเนี้คือนามธรรมานามธรรมานั้นก็คือความรู้สึกที่มันมีอยู่เรียกว่านามธรรมาเพรา ะ, ะนั้นการเดินเรารู้สึกนะการนั่งเรารู้สึกการนอนเรารู้สึกทีนี้ไอ้รูปไอ้นามเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย นะซึ่งการอะไกันกายเราจะทําอะไรเนี่ยเก็เนื่องจากนามมันเป็นผู้สัง่งนะเราจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนจะเปลี่ยนระยะบทต่างๆเนี่ยก็มีแต่นามเท่านั้นเป็นผู้สัง่งนะในส่วนที่เรียกว่าเป็นนามเนี่ยมันจะสั่งให้กายเดินทีนี้กายเนี่ยถ้าว่ามันเคลื่อนไหวไปมาต่างๆมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็เป็นเหตุให้นามมันต้องนึกต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งเนะมื่อกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนนี่ยมันเกิดเวทนาขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเนี่ย มันก็ทําใจให้เราต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้ขึ้นไปมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะมันไม่มันไม่หนีจากกันะมันทําหน้าที่ร่วมกันที่เมื่อมันทําหน้าที่ร่วมกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันจึงมีความสัมผัสสัมพันธ์ทํางานร่วมกันไปอยู่ตลอดงนั้นถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยอืไอ้รูปเนี่ยคงเป็นส่วนวัตถุะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเห็นด้วยตาจับได้ด้วยมือนะรูปทําได้เห็นได้แต่นามธรรมนั่นเป็นสิ่งที่เราเป็น ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในกายของเราเนี่ยนะมันเป็นนามาธรรมเพราะฉะนั้นในนามธรรมในส่วนที่เป็นเจตสิกที่มาเกิดขึ้นกับตัวรู้สึกหรือเกิดขึ้นกับจิตใจ จ, จริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวความคิดน ะ, นะหรือตัวสัญญาต่างๆหรือความจําต่างๆหรือการได้รับเวทนาหรือความสุขความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเจตสิกที่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับจิตท่นเองนะมาเกิดขึ้นกับจิตแล้วมันก็ดับไปเกิขึ้นมาแล้วก็ดับไป เพราะ น, นั้นอ้จนสิกเหล่าเนี้ยิ่งเรื่องความคิดหระออารมณ์ต่างๆนั้นมันไม่ใช่นะไม่มีตัวมีต น, นอะไรมันเกิดขึ้นมาโดยเหตุปัจจัยกระทบสัมผัสต่างๆงหูจมูกลิ้นกายใจมันนึกคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเท่า น, นั้นเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้มันแล้วเนี่ยเราก็ไปยึดมันแล้วคิดขึ้นมาไปยึดในความคิดนั่นแหละเป็นเราอยู่เมื่อยึดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีกิเลสต่างๆมันต้องเกิดติดตามมาตัวโลภะตัวโทสะมันก็ตามมาตัวยินดียินร้ายต่างๆมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นนี่ว่า เรามารู้สึกกับความรู้สึกที่มันรู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยรู้สึกล้วนๆเนี่ยนะยังไม่ใช่ความคิดมันเป็นเพียงความรู้สึกที่มันมีอยู่นั่นแหละคือนามธรรมนะมาอยู่กับนามธรรมย่างเงี้ยพออะไรมาเกิดขึ้นกับกายเราก็จะรู้สึกทันความทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับกายก็รู้สึกทันยิ่งความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตะเกิดในเรื่องในเกิดในนามันเราก็จะรู้สึกทันว่าโอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตแล้วเกิดขึ้นกับความรู้สึกแล้วเนี่ยเรากลับมาอยู่กับความรู้สึก เราจะเห็นมันเราจะออกจากมันได้แต่ถ้าเราไปอยู่ในความคิดคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกเข้าไปร่วมอยู่ในความคิดไปเป็นผู้คิดเป็นผู้ทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเรียกว่าทุกข์ขึ้นมาในความคิดอันนั้นเพราะเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ทันนะความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่ละเรื่องละเรื่องเนี่ยเรารู้ทันมาแล้วเป็นไงเรารู้ทันแล้วโอ้นี่มันทุกข์แล้วเนี่ยมันคิดอย่างนี้มันทุกข์แล้วคิดอันนี้มันสุขเราก็จะเห็นอาการของมันเมื่อเห็นอยู่บ่อยๆก็หมดรู้อยู่บ่อๆ เราก็จะรู้จักเออเนี่ยมันคิดทุกข์แล้วเนี่ยเรารู้จักหยุดมันได้เมื่อเราหยุดมันได้กลับมาหาความรู้สึกตัวนะมันก็จะดับไปถ้าเป็นช่วงจงังหวะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะมเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้กับว่าเราจะเห็นทั้งหมดนะแต่เราจะไม่กล่าวเป็นภาษาประยัติธรรมถ้ากล่าวเป็นภาษาประยัตแล้วย่ต้องกล่าวถึงเรื่องปฏิปุจมุบบาทกล่าวทุงเรื่องการเกิดของเออเป็นนามธรรมที่มันเป็นวัตฏะหรือมันบนอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยโยมก็ฟังยาก พราะเรื่องอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยืดยาวเราฟังได้ยากเข้าใจยากสาหรับชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาในทางด้านปริยัติมาก่อนเนี่ยฟังเข้าใจยากแต่ว่าเรามาดูความคิดเนี่ยก็รู้เรื่องข้อปฏิสุบบาททั้งหมดนั่นเองนะคือสาเหตุมันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรเราก็จะรู้จะเข้าใจคือรู้ทันความคิดนั่นเองจุดสําคัญยิ่งหลวงพ่อจะบอกว่ามันยิ่งคิดนะสติปัญญาก็ายิ่งรู้ยิ่งมาคิดมากอะไรก็ยิ่งรู้มากเท่านั้น เพราะอย่าไปห้ามความคิดเวลาที่มันลาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไปห้ามความคิดเสียนะมันจะเกิดไอ้ความเรียกว่ามืนทิะถ้าเราไปแบบกั้นจิตไม่ให้มันคิดอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยไปแบบสะกดจิตหรือไปกั้นจิตไม่ให้มันคิดอย่างเงี้ยจะเกิดมืนงงแน่นหนาอกบ้างแน่นทิศบ้างเกิดการปวดขัวอะไรอย่างเงี้ยปวทิศอาเงี้ยมันเริ่มมาจากเราที่เราไปไม่ให้ใจมันคิดเพื่อจะอยู่กับความสงบไปจะทําให้มันสงบนั่นเองเพราะฉะนั้นความสงบนั้น มันมีอยู่แล้วโยมมันมีอยู่แล้วแต่ว่าที่มันไม่สงบนั้นเพราะว่าเรามีสติรู้ไม่ทันมันพารู้ไม่ทันมันก็เลยปรุงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นมาท้ความสงบนั้นมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เรารักษาสติในความความรู้สึกตัวเท่านั้นเองในความสงบก็จะเกิดขึ้นเพราะสมาธินั้นมันเป็นเรื่องของผลของการที่เรามีสติที่ดีรู้จักรักษาจิตให้เป็นปกติสมาธิมันก็จะค่อยเกิดขึ้นมาเองความสงบค่อยเป็นปกติขึ้นมานั่นเอง แต่ถ้าเราจะไปแบบว่าไปบีบเนี่มันสงบไปบังคับให้มันสงบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเราเขาจะมีเรื่อว่าการกดดันขึ้นมาขึ้นในจิตในใจของเราเพราะนั้นจึงว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันคิดมาก็รู้ปล่อยมันไปนกลับไปอยู่กับความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวในการยืนการเดินอย่างนี้อยู่ตลอดทําอย่างนี้เรื่ไอยไปเรื่ไอยไปมันก็จะค่อยเห็นค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปเองเออเรื่องความสุขเนี่ยมันสุขก็มันก็ไม่เที่ยงแล้วจะเห็นเรื่องความทุกข์โอ้ไอ้ความทุกข์ต่างๆมันเกิดขึ้นมามันก็ไม่เที่ยง มันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งหนึ่งแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันก็เลยเป็นการติดต่อของความทุกข์เป็นการติดต่อกันเลยเป็นสิ่งที่ยืดยาวไปเราเลยไม่เห็นมันเลยถือว่าตมันเป็นทุกข์ตลอดนะไม่เข้าใจเมื่อเรามารู้ช่วงของมันแล้วโอ้เนี่ยมันคิดขึ้นมาขณะหนึ่งถ้าเรารู้ทันเสียทุกขงมัก็ไม่ทันได้เกิดนะริงต่างๆก็ไม่ทันได้เกิดเป็นลักษณะอย่างนั้นทั้งนี้ว่าการได้เดินจงกลมการทางความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็รู้ จะทําให้มันรู้มันเข้าใจไปเดินอยจังกรมแล้วก็เดินให้มันยกขึ้นก็เห้รู้สึกย่างไปให้รู้สึกเหยียบลงให้รู้สึกเอาความรู้สึกที่ในขณะที่เราเดินเรายืนอยู่นั่นอ่ะเป็นอารมณ์ปัจจุบันในการปฏิบัตินะเป็นรู้รักษณะอยู่อย่างนั้นพอเดินรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเมื่อยก็หมดรู้ว่าอ๋อนี่มันเมื่อยแล้วจะผัดเป็นระยะบทเราจะนั่งลงก็รู้สึกตัวอยู่ในขณะนั่งเวลายกมือสร้างจังหวะก็รู้สึกในขณะยกมือสร้างจังหวะ คอยเฝ้าระวังความคิดมันจะเกิดขึ้นมามาคิดขึ้นมาก็อ๋อนี่คิดแล้วรู้ทันแล้วกลับนะมันอยู่กับความรู้สึกใหม่ทาอยู่อย่างนี้อย่างทําไปทําไปมันจะค่อยรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอควารู้สึกอยู่มากขึ้นมันจะตื่นตัวแล้วเนี่ยจะรู้สึกตัวเบาแล้วทีนี้พอสติมันทาหน้าที่หรือว่ามีสติรู้อารมณ์ปัจจุบันแล้วจะมีรู้สึกเบาเดินก็เบานั่งก็เบาจิตใจก็เบาทีนี้ร่างกายก็เบาเรอเหมือนจะมันจะลอยนั่นอ่ะมันเบามันจะเกิดติติ คำว่าปีติที่หมายถึงเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานะเกิดอความรสสุขอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นเองนะเกิดความอิ่มขึ้นมาในตัวของมันเองเกิดปิติเกิดความอิ่มใจเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาก็พยายามนะอย่าอยากอย่าไปเป็นกับมันดูมันเฉยเฉยมันจะสุขอิ่มใจเกิดปิติอะไรขึ้นมาก็โอ้มันเกิดอย่างนี้มาก็รู้มันเออมันเกิดปีติกรู้วมันเกิดปิติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาในจิตก็ดูนั่นเองทีเนี้ยเฝ้าดูมาดูที่จิตนั่นเองถ้าเราไปหลงอารมณ์แล้วเนี่ยก็ทําให้ เราเผลอสติเขามายอะว่าเออเราดีแล้วเราได้แล้วเข้าใจก็ทำให้โลหลงลืมอา